วันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเวลามันไม่มีหยุดแค่มีวันหยุดเหมือนวันทํางานวันทางานเรายังมีวันเสาร์มีวันอาทิตย์แต่เวลาเขาไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์เขาทํางานเขาตลอดเวลาเขาเขากำลังเกิดเราเข้าไปที่เราเกที่เราเลอย่างที่มีคำพูดว่าเวลา คือสรรพสิส่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเห ม, มื อ, อ, อนองูที่ค่อยๆเขมือเยื่อเข้าไปในท้องเถื่อนเล็กเือน้อยไม่นานก็จะสิ่งที่ถูก็เขมือก็จะหายเข้าไปในท้องงูชีวิตหรือสัรพสิ่งทั้งหลายหรือสัรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเหมือน งูกำลังกํ้าหังเข้าไปร่างกายของเราไม่นานมันก็จะหายไปกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปเหมือนกับร่างกายของบรรพบุรุษของเราที่ที่ล่องรับหายไปหมดแล้วทุกเวลาทุกอยหมง ร่างกายหรือชีวิตของเราก็เป็นเช่นเดียวกันแม้แต่พระวรกายของพระปรุงมัาสะสดาก็เป็นเช่นเดียวกันนถึงเวลาก็ต้องก็ต้องจากพวกเราไปก่อนที่พระองค์จะจากก็ทรงประทานพระประชิมโววาดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง จงยังประโยชตนและประโยชท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดเป็นการตื่นสติให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เราเระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารอยู่ตออลอดเวลาเพื่อเราจะได้รีบอตักตวง ประโยชน์สำหรับตัวเราเองและประโยชน์ของผู้อื่นที่จะตามมาต่อไปด้วยการด้วยการตั้งใจศึกษาและปฏิบัติประทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อย่างเต็มที่ให้ได้ทุกเวลานาทีที่เรา ว่างจากการทำภารกิจที่สาคัญส่วนอื่นคือภารกิจของการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ควรที่จะให้เวลาหมดไปโดยไม่ทำอะไรอย่างที่ทรงสอนให้คิดอยู่เสมอว่าวันเวลาร่วงไปร่วงไ ป, รงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ เรากําลังทําประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใจของเราหรือไม่หรือเรากําลังทําประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาหรือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเราหมดเวลาไปกับการกระทำตามความโลภตามความอยากเราก็จะสร้างสติ สร้างสิ่งที่เป็นทิพย์เป็นไปให้กับใยของเรากดยันของใจเราหให้ตกตให้มีแต่ความทุกข่มมากขึ้นไปแต่ถ้าเรายั ง, ป, ย ง, ง, งประโยชน์ั้งคนตามที่พระพเจ้าได้ทรงสอคือให้บงเท็ญทางศีลภาวนาะเร า, าก็จะสร้างประโยชน์สุขให้ก่ใจของเรา เพราะการเราเาพ่งทาเสียงปลาลเป็นการกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่างๆที่หนีไปในจิตใจของเราให้หมดไปสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับเป็นเชื้อโรคในร่างกายถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามียามารักษามากําจัด เชื้อโรคที่มีน้น า, า, าให้หมดไปได้ร่างกายก็จะหา ย, ย, หยจากโลคภัยไข้เจ็บต่างๆใจของเราก็มีเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์สร้างความต่อเนื่กจเราก็คือ เ, อเลต่างัวขาดความโลภความอยากายได้ในสิ่งต่างๆยาได้ในรูปเสียงกยลกิผลิต อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นปัญหาเหล่านี้เป็นเหมือนเชื่อโรคของร่างกายแต่เป็นเชื่อโรคของจิตใจทำให้จิตใจทุกข์ทะมาร์ความทุกข์ทรมา น, นี้ก็คือโรคของใจถ้าอยากจะหาจากโรคของใจก็ต้องมี ยาก็คื อ, อยาละสณยใจก็คือธรรมโอสที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดคนขึ้นมาจากการศึกษาและปฏิบัติตามหลักของขอ ง, ของความจหรือว่าความจริงของพิเรหรือความจริงของใจหรือว่ากิเเป็นโทษเป็นไปย mm hmm. แก่จิดใจ ไม่ต้องการเี่อนนะวิธีที่จะกำจักดกลื่อก็ทรงรู้ว่าอยู่ที่การละเป็นทางศิลต่อนี่คื อ, อยารักษาโรคที่พะุทธเจ้าได้ท่งคิดค้นขึ้นมาและส่งได้ใช้รักษาประทานของพระองค์จนหายจากโรค ทุกท่อนใจหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งนำเอายาที่พิเศษนี้มาแจกจายให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อเมื่อได้รับยามาแล้วก็เอามารับประทานอามาปฏิบัติตามที่พระองค์สงสารให้ปฏิบัติมันเป็นทานสีทอง ให้ครบคลอมบริณก็จะสามารถรักษาโรคใจคือความทมุกธทรมานใจให้หายขาดไปจากใจแล้ผู้ที่ได้บำเพ็นแล้วก็คือว่าได้ท่าวัตอให้จบลงแล้วเมื่อยังมีเวลาขชีวิตที่หลืออยู่ก็จะใช้เวลานี้ไป บำเป็นการบำเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปด้วยการนำเอายาที่พิเศษเกี่ธรรมโอษฐ์นี้มาตามสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่คือเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างเป็นที่ย้าไม่มีเวลา ของพวกชาติใดของสัตว์ชนิดใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าเวลาของมนุษย์เพราะมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติสามารถศึกษาและปฏิบัติจนลุกขึ้นจากความทุกข์ถ้าเป็นเวลาถ้าเป็นพวกชาติอื่นเป็นชาติอื่นเป็นสัตว์ชนิดเอื่เช่นเป็นเบญจฉาน เป็นนกเป็นแมวเป็นี้นะเขก็จะไม่ได้มีความสามารถพอ ท, ที่จะศึกษาและปฏิบัติพระทรรสงสอนของพอะิทธเจา้านเวลาของของรรัตว์จึไม่ค่อยมีคุณค่าเหมือนกับเวลาของมนุษย์แต่ถ้าม น, นุษย์ไม่ใช้เวลาของตนให้ถูกถูกกับ ลักษณะของถูกกัฐานะของตนไปใช่เหมือนกับเดรชานก็ไม่ต่างจากเดรชาเดรชานเขาก็ใช้เวลาของเขาหมดไปกับการสร้างเรื่สร้างปัญหาเขาจะหมดเวลาไปกับการประทานความโลภความกำหนัดความอยากแต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็เอาเวลานี้มาใช้เหมือนกับ เดลาชานก็คือประมาณความตางความโอกท่างตาความอยากต่าชีวิตของมนุษย์ที่ได้เสดเวลาของมนุษย์ที่มีคุณคาอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับเวลาของเดลาชานไม่ต่ากับชีวิตของเดลาชานแต่อย่างใดซึ่งลำบักคนที่ได้เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมกาสอนของพ่อพระเจ้า หรือแม้เได้สะสนทาเส้บาีมาอดีตการศึกษาบารมีมานอดีตก็จะใช้เวลาหมดไปเหมือนกับเดือนสามทั่วๆไปคือหาความสุขหาความโลภการความอยากเรื่อทาหาความสุขทางกามหักกาที่เราไปเที่ยวกันสถานที่ต่างๆ ไปเดิมไปรับประทานอาหาตามสตามร่านอาหารตา่ตางๆก็เป็นเหมือนกับเดรัจฉานทกันไม่ต่างกันตรงนการได้เกิดเป็นมนุษย์จึงไม่ได้รับประยเท่าที่ควรเหมือนกับได้เครื่องมือที่มีข้ามาแต่ไม่ได้เอา มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกลับเอาไปใช้ประโยชน์ที่กลับเอาไปใช้ทาในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเราเช่นมีดสมมติว่ามีดถ้าเราเอามีดมาใช้ตัดไม้ตัดผักหั่นเนื้อหันห่นปลาเราก็สามารถเอามาทำอาหารที่อร่อยตลอด เอามาสร้างบ้านสร้างอญญาณได้แต่ถ้าเรามีดมาฟันตัวเราเองอย่างนี้ก็เป็นการทำโทษเอาเครื่องมือที่มีคุณค่านี้มาทาโทษแทนที่จะเอามาทำประโยชน์กับตัวเราชีวิตของม น, นุษย์ก็เป็นอย่างนี้เป็นเย่าง น, นเครื่องมือที่มีคุณค่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจของเรา เพราะสามารถที่จะทําให้เรารอดทนจากความทุกข์ได้อดทนจากการเวีนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเรานําเอาพระศาสนาเอาคาสอนของพระศาสนานี้มามาบรเป็นมาปฏิบัติเราก็จะได้สร้างบ้านในสร้างเรือนใจให้แก่ ใ, ใ, ใจของเรา ก็คือมักผลวิญญาณนี้ที่เป็นที่อยู่ของใจเพื่อกาศึกษารละปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าที่เรของมนุษนย์เครื่องมือที่เป็นคุณค่าอย่างยิ่งในภาพใาพของมรุษนี้ก็จะทำไปอยู่ให้แก่จิต จิตใจของเราได้อย่างสูงสุดก็เหมือนกับใช้มีดมาทําประโยชน์มาหัน่นหั่นถักหั่นเนื้อหรือมาตัดต้นไม้เราทำอะไรเพื่อจะสร้างบ้านสร้างเรือขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเอามีดนี้มามาฉือตัวเราเองก็ฟันตัวเราเอ ง, ง, เเ อ, งอย่างนี้ก็เป็นการเอาเครื่องมือที่มีคุณค่ามาทมําร้ายตัวเรา มีวิตของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาเครื่องมือที่มีคุณค่านี้มาสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจถ้านำเอาไปใช้กับความโรภ ก, กับความอยากต่างๆก็เป็นการเอาเครื่องมือนี้มามาทิ่มมาแทงมาันจิตใจให้ทุกข์ทรมารอยู่ตลอดเวลา นี่คือเรื่องของเราเราเคยคิดกันบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ถ้าคิดแล้วก็จะจะเห็นภาพเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายคือภาพ้ลงท่านก็ใช้ชีวิตนี้เครื่องมือของชีวิตนี้เครื่องมือชีวิตนี้ให้เกิดคุณประโยชน์คุณค่าแก่ชีวิตจิตใจของท่านอย่างเต็มที่ ด้วยการร้องเพลงทางศสียบางทางศสีลพภาวนาอย่างเต็มที่เคยอยู่เคยอยู่ในฐานะคารวามีสมบัติข้าวของเงินทองมีฐ า, านะต่างๆก็ทรงสละกันหมดไม่เอกเป็นหน้าจโอรสก็สละรน้าจะสมบัติเป็นเศรษฐีเป็น าการราชการที่มีตำแหน่งสูงๆเพื่อลาออกนเนื่อจากการสละรับสมบัติเงินทองต่างๆให้แก่ผู่เรื่แล้วก็ออกบวชออกไปจำศีลอยู่ตามสถานที่สงบสนหรับนิเวศนตามป่าตามเขาแล้วก็บำเพ็ญภานาเริ่มต้นที่สมถะภาวนาทาจิตใจให้สงบ เพราะถ้าจิตใจยังไม่สงบนี้ยจะไม่สามารถบรเพ็ญภานาขั้นที่สองคือวิปัสสนาภรวนาได้จิตจะต้องสงบเพราะจิตสงบแล้วจะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจเหมือนกับน้ำที่เนื่องน้ำเน่งน้ำจะใสจะเห็นสิ่งที่มีในน้ำ จะเห็นตัวปลาจะเห็นต้อนเห็นจะเห็นพืชผักอะไรต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้ถ้าน้ำไม่เล่นมันก็จะขุ่นจะมัวจะมองไม่เห็นอะไรอยู่ในอยู่ในน้ำได้จิตของเรานั้นก็มีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีอยู่ในจิตแต่ถ้าจิตไม่สงบ จิตจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีส่วนไหนเป็นคุณส่วนไหนเป็นโทษพอทําจิตให้สงบแล้วก็จะเห็นว่าอ่อสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษจึงจะเห็นเลยเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมานี้จะเป็นเหมือนกับภูเขาไฟประทุก ข, ขึ้นมา จะเป็นเหมือนกับมีสิ่งแหลงคมท่มแทงจิตใจจะไม่ต้องถามใครเลยว่าตัวนี้เป็นอะไรจะชื่ออะไรไม่สำคัญอาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้อาจจะไม่เรียกกิเลปัญหาอาจจะเรียกว่าเขียวขาวดำแรงก็ได้เพราะนี่เป็นเพียงสมมุติที่เราให้กับให้กับอาการเหล่านี้ที่มีในใจ พระพุทธเจ้าทรงให้ให้ชื่อของอาการเหล่านี้ว่ากิเลสตัณหาความโลภความอยากแต่ถ้าพอมีจิตที่สงบแล้วพอเวลาเกิดความโลภ ก, กิดควา ม, วามอยากขึ้นมานี้จะรู้เลยมันไม่ได้บอกว่าเวลามันปรากฏขึ้นมามันจะไม่ได้แนะนำตัวมันเองว่ากับผมคือกิเลสกับผมคือตัณหามันไม่ได้บอกมันไม่ได้แสดงตรง งานมันจะมันจะแสดงความทุกข okay. ์ก็รนงไงขึ้นมาให้เห็นถ้าจิตไม่สงบเนี้ไม่เห็นจิตจะไม่รู้พอเกิดเกิดเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทําตามคําสั่งของความโลภความอยากทันทีเพราะทนอยู่เฉยเฉไม่ได้นั่งอยู่เฉยเฉไม่ได้แล้วถ้าเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาต้องรีบลุกขึ้นไปทําตามความโลภตามความอยากทันที เพราะไม่รู้ว่ากำลังกำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความทุกข์ตั้งแต่เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างความทุกข์ต่อจากการไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่โลภที่อยากอยูนี่จะไม่มีทางรู้ได้สําหรับผู้ที่ไม่เคยได้เจริญสมถภาวนาจนเจตรวมลงเป็นเอกตาลมเป็นอย่าง สักแต่ ว, ว่ารู้ว่าขณะที่จิตรวมลงสักแต่ ว, ว่ารู้นี่มันจะนิ่งนิ่งสงบความโลภความอยา ก, กต่างๆมันจ ะ, ะนับอารมณ์ต่างๆความคิดตรงต่างๆจะสงบมานักลงไปแล้วพอออกมามันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตอนที่มันปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นชัดเลยว่าอ๋อนี่เริ่ม เริ่มทุกขแล้วเริ่มทํางานใจแล้วพอเห็นอย่างนี้แนละ้วทีนี้นก็จะสามารถจเจริญภาวนาขัา้นที่ขั้นต่อไปได้ก็คือวิปัสสนาภาวนาพอโลภพออยากได้นอะไรพอรู้แล้วว่าทุกข์ก็อยากจะหาวิธีกําจัดความโลภความอยากเหล่านี้ก็ต้องพิจารณาสิ่งที่โลภที่อยาก ให้เห็นว่าเป็นไตรรักษนี่ไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแล้วก็ไม่รู้จะเอามาทําไมเช่นหเห็นคนอื่นเขาเสพยาเสพติดแล้วก็อยากจะเสพอย่างนี้คนที่มีปัญญาคนที่รู้ว่ายาเสพติดนีม่มีโทษมีใครจะไปเสพบ้างมีใครจะกล้าไปเสพยาเสพติดบ้างถึงแม้จะมีความสุขในขณะที่เสพ รู้ว่าเมื่อเสษแน้วมันติดแล้วทีนี้มันจะทุกทรมารย์จะต้องเสกไปเรื่อยๆแล้วก็จะถูกยาเสพติดนี้ฆ่าฆ่าตายไปในที่สุดเขาให้ชีวิตนี้หมดไปเร็วกว่าที่โกลจะเป็นไปถ้าเราเห็นโทษเหล่านี้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนยาเสพติดให้โทษแกจ่จิตใจให้ความทุกข์ทรมารแกจ่จิตใจเราก็จะ ไม่อยากจะไม่รบกับสิ่งนั้นเพราะเราเห็นแล้วว่าที่มันเป็นทุกเพราะเงินมันไม่เที่ยงมันมันไม่ดีไป ต, ตลอดเวลาได้มาใหม่มๆมันก็ดีแต่พอได้มาได้นานมันก็เปลี่ยนไปของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าของชํานุกของกลายเป็นภาระที่จะต้องมาดูแลรักษาเมื่อก่อนนี้ไม่มีสิ่งนี้อยู่ ก็อยู่ได้มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ต้องมีสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขแล้วถ้าสิ่งนี้เป็นอะไรไปก็ต้องมารักษามาม า, มาแก้ให้มันดีเหมือนเดิมถ้ามันไม่ดีเหมือนเดิมก็ต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทนมันก็เลยจะต้องหาความทุกข์มาใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราเรีว่า อนัตตาก็คือมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรามันต้องเป็นไปตามตามธรรมชาติของเขาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมเป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาจะไม่เห็นกันจะเห็นแต่ส่วนที่ดีส่วนที่น่ารัก ที่น่าชื่นชมเห็นว่าได้ถึงนี้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าความทุกข์ที่ตามมานี้มันแสนสาหัสขนาดไหนกไม่เคยคิดกันจึงติดกันจึงต้องมาเจริญวิปัสสนากันารจะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องมีสมะถะก่อนต้องมีสมะถะภาวนานก่อนจะต้องมีความสงบจิตรวมลวงเป็นหนึ่งก่อน พอจิตรวมลงแล้วทีนี้จะรู้แล้วว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษจะรู้ว่าความอยากนี้เป็นโทษแล้วความไม่อยากนี้เป็นคุณต่อไปก็จะไม่อยากไปเรื่อยๆเพราะเวลาไม่อยากแล้วมันสบายมันเย็นมันสงบมันมีความสุขพอมันอยากแล้วมันทุกข์ทรมานใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วมันก็จะสามารถตัดไปได้เรื่อยๆตามหลักนี้ถงที่ ตัก็เป็นคือวัตถุต่างๆที่ละเอียดเลื่อเข้าไปเรื่อยเรื้องเริ่มต้นจะเป็นวัตถุส่วนใหญ่เช่นรูปเสียงกลิ่นโน้ตภบุคคลต่า ง, ง, งต่างแล้วก็เข้ามาสู่ภายในก็คือร่างกายของตนเองแล้วก็เข้ามาสู่ความรู้สึกความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในขันแล้วก็ความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในจิต มันก็จะขยอกตาเข้ามาปล่อยแล้วมันก็จะปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆจะไม่อยากกับความสุขเหล่านี้จะไม่อยากสุขถ้าไม่อยากสุขแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากสุขแล้วพอสุขหายไปมันก็จะทุกข์ขึ้นมามันจะเห็นว่าถึงแม้จะอยากอยากมีความสุขก็ไม่อยากเหมือนคนในโลกที่เขาอยากมีความสุขกันซึ่งปีเขาก็ต้องส่งความสุขให้แก่กันและกัน แต่นี่จะไมไม่ส่งความสุขให้กับใครแล้วเพรารู้แล้วว่าความสุขนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปสุขตอนวันส่งท้ายปีเก่า ว, วันต้อนรับปีใหม่พอวันที่สองต้องไปทํางานก็สุขเล้วนั่นก็หายไปแล้ววันที่ทตื่นข้นมาวันที่หนึ่งก็ปวดหัวจากการเมาสุราเดือดสุรามากเกินการไป ฉลองมากเกินไปนอนหลับไม่พอตื่นขึ้นมาความสุขที่ได้จากการฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็หมดไปสำหรับคนที่มีความสุขที่ดีกว่าที่เือกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญสมถะภาวนาแล้วก็จะไม่อยากจะได้ความสุขอะไรเพราะรู้ว่าความสุขทั้งหลายไม่ไม่เที่ยงแทนแน่นอน ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการบำเป็นสมถะภาวนาเป็นความสุขที่เียงแท้แน่นอนอยู่กับใจไปตลอด mm hmm. ก็จะพยายามที่จะบำเพ็ญใจให้สงบไปเรื่อยๆใจสงบเวลาใดความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะปรากฏขึ้นในเวลาน mm hmm. พอกิเลสตัณหา ปรากฏขึ้นมาในใจเวลาใดความสงบก็จะก็จะหายไปทันทีก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาทุกเว่าทุกครั้งที่เขาปรากฏขึ้นมาไม่ให้เขาแสดงอาการได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาวัตถุที่พิจารณือที่กิเลสตัณหาไปอย่า ถ้าเป็นการมาตัญหาก็พุจริารูปเสียงกลียนรสโถสระให้เห็นว่าเป็นตายรักรูปก็เป็นทุกข์เสียงก็เป็นทุกข์เกลนก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้น อ, อยากจะดื่มของหวานหวานอยากจะดื่มของที่มีรสไม่ชาติก็ตัดแต่เสียดื่มถ้าดื่มเพื่อร่างกายถ้าดื่มเพีย ง, งน้ำเปล่าๆ<ม>ก็พอถ้าไม่ได้ดื่มเพื่ออ่างกายก็ไม่ต้องดื่มเลย สู้ดื่มความสงบดีกว่าวเพราะเวลาไม่อยากแล้วจิตก็จะกลับเข้าลงเข้าสู่ความสงบก็จะได้ดื่มดั่กับความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งมีความสุขมากยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มเครื่องดื่มที่ ถ, ถูกปากถูกคอมันสุขเพียงเดียวเดียวท่านั้นเองแล้วเดียวมันก็ใหญ่แล้วมันจึงต้องหามันด็เลือกเนี่ย เครื่องด่นี้ซื้อขวดเดียวไม่ได้ซื้อกระป๋องเดียวไม่ได้ต้องซื้อถีเป็นโหลหเก็บไว้ที่บ้านเตรียมเอาไว้ตอนรับความอยากเวลาความอยากสั่งปั๊บก็เปิดขึ้นมาดื่มเลย<ม>แต่ผู้ที่มีสรมรรถนะมีวิจตนาไม่ต้องไม่ต้องเก็บไม่ต้องสั๊อกของเหล่านี้ไว้ให้มันให้มันเก็ะกะลบบ่าย เพราะมีขางดื่มเครื่องดื่มที่ดีกว่าภายในใจก็คือความสงบความสงบที่ดื่มด่ำที่ที่มีความอิ่มมีความสุขมากเพราะฉะนั้นเวลาผู้ที่มีความสงบแล้วจะเห็นโทษของกิเลสปัญหา ท, าทันทีเพราะเวลากิเลส ต, ตัญหาเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะมาทำลายความสงบ ท, งทันทีก็ต้องกำจัดมันทันที เราต้องจัดได้ทจนทีด้วยวยยิปัสส น, า, นาด้วยตใจลักนี้เองถ้าพิจารณาด้วยตใจลักแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองเงแต่ว่าธารโลกยังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่ามันรุนแรงก็เลยไม่ได้ออกกฎหมายมาห้ามเหมือนกับยาเสพติดแต่นันก็เป็นเหมือนยาเสพติดพอใครดื่อแล้วมันเวลาไม่ได้ดื่มนี่เป็นยังไง ใจวุ่นวายต้องหามาดื่มให้ได้จึงต้องพยายามเก็บไว้เยอะๆเผื่อใว้เวลาเกิดความอยากแล้วจะได้มีเพราะรู้ว่าเวลาไม่มีดื่มตอนที่อยากนี่น่ามันทุกทรมนานใจนินี้นี่ก็คือวัตถุที่เราต้องจับเวลาจิตไปโลกไปอยากกับ รูปเสียงกลินรสก็ต้องพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสให้เห็นว่าเป็นตายละพอไปล่วไปอย่า ก, กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็ต้องพิจารณาว่าเขาก็เป็นใจรักเหมือ น, นกันเป็นอนิจจังทุกขังแล้นับตามเหมือนกันเขาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเขาสวยวันนี้หล่อวันนี้เดี๋ยววันต่อไปเขาก็ไม่หลอ่อไม่สวยแล้วไม่ในชานา่เขาก็กลายเป็นซากศพไปแล้วต้องพิจารณาอย่างนี้ ก็จะได้เห็นอณิจาังความไม่เที่ยแล้วก็หเห็นความเป็นอนัตตาที่ไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังครับให้เขาหนุ่มให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวให้เขามีรูปลารูปสวนอยู่ได้ตลอดเวลาเขาต้องเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลาถ้าเราไปยึดไปติดเขาเราก็จะต้องทุกข์ทรมารใจเวลาที่เขาเปลี่ยนไป มนการเรื่องของของร่างกายทั้งของผู้อื่นและก็ของตัวเราเองของตัวเราก็ต้องพิจรารณาเช่นเดียวกันว่าก็นอ n แก่ต้อ ง, องเจ็บต้องตายเหมือนกันต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเหมือ น, นกันก็พิจรารณาจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากดิน น, น้ำลมไฟในในรูปแบบของอาหารเครื่องดื่มชนิดต่าง เรารวมตัวกันตัวนาการส า, ามสิบสองผงคนแย่ปันน้ำแมนกระดูกเป็นต้นแล้วก็อยู่ไปจนกระทั่งมันไม่สามาอยู่รวมกันได้มันก็แยกตัวกันออกจากกันไปน้ำก็ไปส่วนไปทางน้ำดินก็เป็นทางดินลมก็ไปทางลมไฟก็ไปทางไฟแยกกันไปคนละทิศคนลทางไม่มีอะไรเ อ, อยู่ร่างกายที่เป็นไงกอในขอนี้ก็กลายเป็น เพียงประวัติไปเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในความทรงจําท่านั้นแต่ความจริงไม่มีเช่นร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของกรูบาอ า, าที่เราเคารพนับเคาลรพนับถือ่อกเช่นเดียวกันร่างกายของท่งนนานกับเครืนสู้ดินน้ำลมไฟเป็นปหมดแล้วอยู่เพียงแต่ความจําว่าออพระพุทธเจ้านะนะนะครูบาอาจารย์นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ แต่ความจริงไม่มีนะไปหาไม่เจอแล้วไปประเทศอินเดียไปเจอแล้วไหมไปเจอไปเจอร่างพระพุทธเจ้าไปหรือเปล่าไม่มีหมดแล้วเพราะตั้งแต่ดินน้ำลมไฟนี่คือการพิจารณาใจแล้วให้พิจารณานี้แล้วเราจะได้ปล่อยวางร่างกายของเราได้ร่างกายของอื่นเราก็ปล่อยได้เราไปใครจะตายก็ไม่เดือดร้อนเราจะตายก็ไม่เดือดร้อ ว่าเราไม่มีตันหาความอยากให้อยู่ให้อยู่เกินเวลาของเขาเมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปก็ให้เขาไปก็ทานั้นเองใจก็จะหายจากโรคทุกข์ที่เกี่ยว้งกับร่างกายแล้วก็ขยับเข้ามาสู่วัตถุที่ละอียดก่อนั้นอีกก็คือความสุขความสุขภายในใจก็ต้องเห็นว่ามันก็เป็นเช่นเดียวกับ มันก็ไม่ที่ยงเหมือนกันมันก็เป็นทุกข์ได้ถ้าปไปยึดไปหยาดอยากให้เขาสุขไปตลอดใต่เขาไม่สุขว่ขาก็เขาเปลี่ยนไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องไปเจรจาปล่อยไปปล่อยให้เขาเป็นไปพอปล่อยเข้าไปแล้วเขาก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราต่อไปใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจมีแต่ความสงบ เพราะไม่มีความอยากไม่มีความโลภ ก, กับสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกเมืไม่มีแล้วก็หมดปัญหาไปก็ไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องทำอะไรต่อพราจริตวิทย์ของพวกเราทุกคนนี้ที่ทำกันนี้ก็ทาเพื่อหาความสุขนี้ทํางนั้นเนื่องจาเราไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริง เราไปเจอความสุขที่เกิดเกิดดับดับก็เต้องหาอยู่เรื่อยๆพอความสุขมันดับไปก็ต้องหาหามันขึ้นหามาใหม่หามาใหม่อยูเรื่อยๆแต่ทว่าเราได้เจอความสุขที่มันไม่เกิดมไม่ได้ดับนะมันมีอยู่กับใจเราตลอดก็ไม่เลกจะไปหาอะไรเมื่อมันมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ถือว่าจบแล้วการแสวงหาความสุขที่แท้จริง พอได้พบแล้วไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเราเองเมื่อก่อนก็คิดว่าอยู่เขานั้นอยู่ปา่าลูนั้นอยู่วัดนั้นอยู่กับคูบาาจารย์ตงนั้นอยู่กับคูบาาจารย์ตรนี้ก็มาเห็นเล่หอนไปหากันหากันแทบเป็นแทบตายก็ยังหาไม่เจอสักทีเพราะไม่ได้หาที่มันที่มันอยู่ที่จริงของมันถ้าเป็นบุธธุ้ดไปเฉยๆก็ส่งจดหมายไปไม่ถึงคนคิ่คนรับสักที เพราะไม่ดูไม่ดูจ่าหน้าเขาจ่าไปตรงไห น, นเขาจ่ามาที่ใจของเราแต่เราดันไปหาที่นู่นที่นี่กันปัญหาที่ป่าลูกนั้นเขาลูกนี้ปัญหาครูบ า, าอาจารย์นั้นองค์นี้กันแต่เขาจ่าหน้าว่าให้มาหาในใจเรนี้ในใจเราให้หาด้วยสมสถะภาวนาที่ปัสสนาภาวน า, า, วน า, า, วนาไม่ทําก็ยังมัวไปวัดนี้วัดนี้กันอยู่นี่แหะ ก็มันจะจะเจอกันสัทีนะให้หันกลับมาที่ใจเราเนะี่ยหันกลับมาด้วยทานศีลภาวนาทานศีลนี่ทาที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านส่งเงินไปก็ได้ที่เราอยู่ที่เราภ า, าวนาที่ไหนเราก็ส่งเงินไปแทนก็ได้ตัวเราไม่ต้องไปศีลก็รักษาที่ใจนี่แหละไม่ได้รักษาที่บ้านหรอก สินหนึ่งที่ใจสินมีข้อเดียวก็คือใจนี่แหละใจที่สงบแล้วนับก็มีสินครบทุกข้อเนี่ะสามร้อยสิบข้อหรือสองร้อยยี่เจ็ดข้อหรือสิบข้อแปดข้อห้าข้อมันก็อยู่ที่ใจข้อเดียวแล้วรักษาใจได้ข้อเดียวแล้วดับกิเลสปัญหาได้แล้วก็จะรักษาสินได้ทุกข้อที่มันมีสินมากมายก็เพราะมันออกมาจากกิเลสปัญหาเท่านั้นเพราะเกิดกิเลสปัญหาแล้วมันก็อยากจะทํานั่นอยากจะทำนี่มันก็หัก มันก็ทำด้วยด้วยแร่เหลียนด้วยอุบายต่างๆมันก็เป็นเป็นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ย้อนย้อนความเดือดร้อนนี้ก็ย้อนกลับมาหาตัวเราเองพอเราไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นพู้อื่นเขาก็ต้องมามาลงโทษเรามาําจัดเราถ้าเราสงบระงับแล้วไม่มีกิเลสตัณหาแล้วมันมันไม่ต้องรักษาอะไรมันรักษา มันรักษาได้หมดทุกข้อไม่ต้องรู้เลยว่าสินสองวันยี่เจ็ดเงื่อนไม่จําเป็นต้องรู้ถ้ารู้ตัวนี้ตัวเดียวรับรองได้ว่าจะไม่มีการทําผิดศินเดินตัวเด็ดขาดสมัยพระพุทธการสมัยแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงกาศสอนก็ทธรคําอสอนไม่มีพคำวินยัยไม่มีสินสองวันยี่เจ็ดกองไม่เคยสั่งสอนพระเพราะพระทุกที่มาบวชนี่เป็นพระหลังเดิ เขาบรรลุเป็นพรานั้นก่อนแล้วก็าถึงมาขออนุยาอยู่เป็นพระภิกษุเช่นพระอนญากงธัญญ า, นนา ก, ก็เป็นพระโสดาบาันก่อนแล้วก็ขอ <c oughs> ขอบวชเป็นใพระพุทธศาสนาต่อมาพอทั้งห้าได้บรรลุเป็นพราอรหันก็บวชเป็นพรากันแล้วพอทรงไปโปรดนักบวชในสำนักอื่นพอก็บรรลุเป็นพราอรหันต์เาว่าเขาบวชเป็นพราภิกษุกัน เราไม่รู้จะปไปเปไปไปมีพระวินัยไว้ตรงไหนเพราะท่านเหล่านั้นท่านมีท่านมีความสงบล้วยบท่านไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายแต่พอรุ่นรุ่ น, ร, นรุ่นพระอรหันต์หมดไปเนี่ยพอพวกที่เป็นผู้ทุกข์ผูุ้ชอนมาบวชเนี่ยพวกนี้ถึงจะมาเริ่มมาสร้างปัญหาเพราะพวกนี้ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ พอาบวชแล้วก็ไปทําบัตรสีบัตชบต่างๆพก็มีคนไปฟ้องเขารพระเจ้าพระเจ้าก็เลยต้องกําหนดข้อห้ามต่างๆขึ้นมาท้ามทำห้ามทำนั่นห้ามทำนี้ก็จะหนึ่งข้อเป็นสองข้อสามข้อจนถึงสอง้อยี่เจดข้อถ้าทรงประทับอยู่ถึงวันนี้ก็คงจะเป็นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบข้อวันนี้เรือกให้ให้มา มามาแก้อ่เรือยทุกวันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็สงสัยต้องพยายามช่วยกันอย่งนี้ช่วงนี้ก็มีข่าวขึ้นมาอี้มีเรื่องบัคซบเนี่ยหรืเรื่องพิจารณาปรากฏออกมาอย่างนี้พระเป็นไปดูเป็นพระที่พระไปดูทิศสุนีขึ้นมาอะไรองเี้ยตนี้มันก็มีเรื่องให้ต้องมาแก้อยู่ตลว่าเพราะใจของพระยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมไมหลุดจากกิเลสปัญหานี้ ทำไมไม่ดูครูบาอาจารายบ์บ้างนาลวงหลวงปู่มั่นทัการบวชพิชซุนีหรือเปล่าหลวงปู่ชาทัการบวชทิกซุนีหรือเปล่าท่าทำไมเป็นลกูกศิษย์หลวงปู่ชาไ้บวชทิกซุนีทำไมไปอวดที่เสียแกงก็ครูบาอาจารย์ทำไมมันจาเป็นนักเลยที่จะต้องบวชพิกซุนีกันถ้าไม่บวชทิกซุนีแล้วจะตายหรือยังไงจะบรรลุนักผลุธพานไม่ได้หรือยังไงแม่ชีเก้าแม่จะเป็นจำองไปบวชเป็นิกซุนีเลยทำไมไม่ใช่สติสัญญาบวชนะ เรามาอวดวิเศษวิโสมาอ้างพี่นายข้อนั้งข้อนี้กันทำไมมันไม่ดูกันเนี่ยเป็นปัญหาที่ตามมาก็เพราะว่าคนที่มาบวชทีหลังนี้ไม่มาทำจิตของตนเองไม่มาทำจิตให้สงบพอปฏิบัติไปได้หน่อยจิตสงบนิดหนึ่งก็คิดว่าบรรลแล้วก็ออกไปสั่งสองทูกอู่น เป็นเจ้าสำนักเลยเป็นาศาสตาแล้วสามารถบ่มล้างปฏิปทานดีงานของครูบาอาจารย์ที่นำมาพามาปฏิบัติได้อย่างไม่รู้สึก ต, ตัวเลยอนอํอำนาจของกิเลสตนหาเลยเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็เราก็เป็นลูกศิษย์ที่มีครูก็ขอให้เรา ดูคูบาจารย์ของเราเป็นตัวอย่างอย่าไปออกนอกลู<ม>นน่นอกทางอย่าไปคิดว่าเราเก่งก็ครูบาจารย์<ม>แล้วเราจะได้ปลอดภัยเราจะได้อยู่ในกรอบของความถูกต้องอยู่งงานและเราจะเจริญก้าวหน้าในทา ง, ย, งยิ่งขึ้นไปต่อไปก็<ม><ม>ขอพักพักครู่ไป ไม่ต้องไปอยากเป็นภิะสูนี่นะ <l acht> นนแล้วเดี๋ยวก็มาด่าพระถาว่าไม่เลียนตายไม่ยอมบวชพรนะสูงใช่ไหม อาจารย์ทชอบพูวชอเกาไม่ถูกที่อย่างนี้เกาไงก็กาไม่ถูกที่ไอ้ที่มันคันไม่เกาชอบไปเกาไอ้ที่มันไม่คันกันนะไอ้ที่คันก็คือใจเราไม่เกาไม่เกาไปไปเกาเรื่องนั้นเกาเรื่องนี้กันอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมเนียมถ้า ถ้าชาวบ้านเขายินดีจะใส่เราไปได้ไม่้แนนต่แม่ชีเต็มโยมนี่ก็ไปได้ถ้าเขายินดีเพื่อพก็เป็นขอทานยินดีนี่เองแหละเพียงแต่คนที่เขาจะยินดีให้หรือไม่ให้กันั่นเองก็่เป็นไรหรอกชิ้นนักบวชเขาก็ต้องขอทานเป็นธรรมดาการบินฑบาดของพระก็คือการขอทานโปรดสั์นี่เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปเคาะประตูเปเรียกร้องผู้ที่เขาจะให้เท่านั้นเอง เดินไปถ้าเขาอยากจะให้ก็ให้ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็เป็นขอทานยิ่งแต่เป็นขอทานบรรดาศักดิ์เป็นขอทานที่มีเสียงมีจริยวัดมีธรรมแต่ถ้าขอทานทั่วไปก็จะไม่มีเสียงไม่มีจริยวัดคนยึงไม่ค่อยอยากจะให้ขอทานนกแต่คนยังดีให้กับพระภิกษุกัน ความจริงท่านก็เป็นขอทานเหมือนกันต่างตรงที่ว่าท่านมีศีลมีปฏิปทา ม, ม, มีการประพฤติปฏิบัติที่น่าเลื่องใสยยงน่นึ <c oughs> ่งเองดังนั้นถ้าเราทำตัวเป็นที่น่าเลื่องใส <c oughs> ก็มีคนยินดีที่จะสนับสนุนล้าถึงแม้เราจะไม่ได้โกนศีรษะผมเหลือ ง, องที่เื่อไจากศาสนาอื่นเขาก็มีพระหรือเป็นนักบวชเขาก็ไม่ได้โกนศีรษะ เขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาสนับตนองอย่างบาทรหรือ <c oughs> เขาไม่ต้องออกไปเิ็นตบาตแต่เขาก็มีเงินเดือนเงินเดือนก็ได้าจากทายาทโยมที่ถวายวัดถวายโบสถ์เขาก็เอามาเป็นเป็นค่าเช่าจ่ายก็เหมือนกันไม่ต่างกันตรงไห น, นขอให้เราดำรงตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับโลกได้แลวเราไม่โลภไม่ได้สะสม ไม่มีสมบัติ 000, เข้าของเงินทองของเราเองคนอื่นเขายินดีที่จะสนับสนุนเราเสมอแต่ถ้าเรามีมากกว่าคนอื่นเขาเขาก็ไม่อยากจะสนับสนุนเราใช่ไหมแต่ถ้าเราสละมีทุก อ, อย่างบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาก็รู้ว่าเราต้องอาศัยผู้เขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนเราถ้าเขาเห็นว่าเราทําประโยชน์ให้แก่สังคมทําประโยชน์ให้แก่โลก ทำประโยชน์ให้แก like so ่ผู้อย่างพวกเรายินดีทำบุญให้ทานถวายขบพระยตลอดเวลาเพราะว่าเรามีความจัดทารเราเห็นว่าท่านเป็นคนดีท่านเสียสละท่านละทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังละันไม่ได้เราก็ยินดีที่จะสมัครศรีท่านเพราะเราจะได้ใช้ท่านเป็นที่ขึ้นพาสายเป็นผู้นำพาเาไปสู สู่ความสุดต่อไปเจริเข้ามาข้างในนะครับอยากข้นมาอยากขึ้นมา เรื่องที่บ้านเผลย์นิคมสี่ยงบานเยอะมากลยที่ตอนนี้จะเล่ก็แบบนี้นะครับก็มีเพิ่มขึ้นในระยะหลังว่ารถทุบ้านหนุ่ก็เนื่องจากบ้านเชตาลังนี้ก็มีคนอยู่เ่าขึ้นมีรับพรงที่เข้าาทำงานาาตามคนเดทำานตารงแรทสถานที่ส่าเขาจะเข้าบ้านเลย ก่อนจะทำงานเขาก็จะว่าที่ขาทำนนี้ก็เป็นพวกงานแต่พวกชาวบ้านที่อยู่ประจำเขาก็ใส่ตั้งงาอยู่เปนระการตั้งเรื่องกแรกที่บิ น, นะระบาลนี่จะบินบาดเรไม่ถึงไม่ไปถึงถึงทางสาแยกจะหยุดจนก่ อ, อนจเถึงตอนจะถึงทางเข้าวัดนแล้วก็จะขึ้นรถ แ้่ต่อมาทาัทาง้ทงทงั้งเขาอยากจะใส่เขากปเลยเพระาว่าให้เดินต่อไปให้เจอถึงสงยายแยกสายซ้าที่เดินที่อีกสายที่เดินตามถนนสุขเขาก็ให้เดินทะลุนลยสายแ ย, าาาา ย, ยกไปพราะจ่มเพิ่มขยโออกไปเรื่อยๆทำให้หวาดใจมากเว่าเขาจะเดินไปขึ้นไป่อยๆ วันคนใส่บาตรแล้วยาวนึงเคยกเคยนับคับมาจะรวมทุกสายสายบางเคยสายบาเลยสายัตวปะ์ายจีนเลยอยานั้นต้องห้ก็จคนงันอยู่เ่หร่เลยถ้าสายไลน์ตัดกันเด็กกัร้อยีสอ้โหก็นร้อสิบสายหน้า อย่งนี้เด็กก็ย่งน้อก็เจ็ดสิบแปสนะครับแ้วสายที่ไปเข้าไปในเทคนิคเชลล์เทคนิคมาไปในยุคเชล์เกษตรกรรมก็เจ็ดร้อยสิบแล้สายางอ่ะตรงนี้เก็บาน้ก็สายประมาณเก้าสางเฉลายสี่สิบสายหกสิบสิบก็เล ก็กลับมาที่รักก็ยงังอยู่มาทีวั <laughs> <c oughs> ดวเพราะ่าทางทานนี้คนต้างอยู่ที่นั่น้อที่จสมสอนเราได้ ตตั้งแต่เด็กเรีอยู่ในท้องอย่นี้เด็กเรียนมมหาลัยรันเลยงานทางการอยู่แล้าก็มาอยู่วันยาตั้งแต่ปีสามเจ็ดก็เดินบ้านเมืองมาตลอดมีท่าตีมีท่าตีเคยไปด้ยช้ออ่บ้านเพื่อไปดูว่าเป็นยังไงแต่ไม่ได้เดินประจำอยู่สองสามครั้ง ส่วนใหญก็จะโดนอยู่ที่ชาย่าดเานัา้นเห็นชาวตะลึงเมื่อก่อนมีแค่แคเรียกเป็นหมู่บ้านประมงชาวเป็นอยร้านที่เป็นร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะเป็นก็จะมีเรือออกไปจับปลาหาปลาทงางคนก็จะเอาปลาเหล่านี้มาขาย ส่นนึก็ามาตากแห้แกปลามทำมาตากแหงพวกปลาทนี้ก็มาทาแล้วเขาก็ขายมาชื่อขายเขาเป็นยังไยาต่อมาเขาก็เลยเห็นคนมนมีร้านขายอาหา ร, ท ะ, าหารทะเลเ้าก็เลยทาเปิดร้านของร้านเจ๊แตงกแล้วก็ เ, เ, นน เ, เ, กเป็นร้านเจ๊าาตึงาเจ ก็เลยก็เลยขา ย, า ย, ยาาาบิบก็อาหารสดอาารทีนี้เขาก็ทาอาหารท็เก่งด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นของสดเขาก็ทาเป็นแบบตามแบบชาวบ้านคนก็ชอบมารับประทานเพราะว่าราคารก็เปรียบกับแถวพั ท, ท, ทยา น, นี่มัจกของมากนก็เลยคนนิยมขาเยอมารับประทานกัน ต่อมาก็มีทั่วทัวรทั่วเตาหรืวทั่ยี่ส่วนทัวจริงมาเป็นรถบัสมาแล้วหายก็เลยเปิดมากขึ้นไปเข้ามาสาวที่นี่กลางค่ำ แ, แถวแถวบ้านเธอนี้รถติดยาวอยู่คนละรัฐบาลเราไม่รู้ใครกบกันรู้ เาก็ีออก่ท่านเทพถึงแล้วเกิดเป็นมนุษย์นี่ทําการสินภาวนาได้ตลอดทั้ไหมเ <c oughs> ่เขาติดดีจริงเขาคนที่เป็นเทวเดียเป็นเท ว, วดาที่เขาทำอ ไ, ได้แค่ไหนก็ไม่่าข้อหนึ่งไม่ดูคำสอนเห็นว่าฟังฟังทำหููหูตาได้แต่คำนั้นเ <c oughs> ครื่อางานงานที่ถ้ามีหูปหูตาที่ท่านมีอภิญยาที่เขาสามารถที่จะติดตามกันได้ แล้วพวกเจดาวนี้ก็ต้องเป็นพวกที่ใส่บุญใส่กุศลอยู่้าเป็นพวกที่ชอบหาทางศึกจากรูปเสียงกินแล้วเขาก็จะไม่สนใจเจอดานี้ก็มีหลายพวกที่ชอบแต่ทำบุญให้ทานอยู่แต่ไม่ชอบศึกษาธรรมะไม่ชอบภาวนาะเขาก็ไม่สนใจที่จะศึกษาแต่รับหน้าทำบุญให้ทานเขาชอบเที่ยว เที่ยวไปแล้วทำองไรด้วยพระพุทธรูป<ก><ก>แต่ีวกที่สนใจภาวนานี้จะไม่ชอบเที่ยวเราะสนใจศรัทธาทำฟังเทศน์ฟธรรมแล้วก็ฟั ง, ง, ง, งวพวนี้ก็จะเป็นอีพวกพวนี้ก็จะมาฟัางเทศน์งธรรมกับพระพุทธเจ้าพ่านน้นต่าแก็จะปฏิบัตินนไม่ได้ไม่ได้อย่างต่อเนื่อง ยาพยา้ามมาเทศทอนเททานทำไปเรื่อเขามาฟังร่วมกับเราอยู่ด้วยเปก็ไม่รู้หละถ้าเข า, า น, นั่เวลาหลวงปู่มั่นท่านเทศท่านก็บอกว่ามีมีเทศมีอะไรมาฟเนี่เนเนบบนยเะเวลาเวลาเวลาเวลาท่านแสดงธรรมมันก็ทำมันมีเสียงสเสียงเสียงภายนเสียงภายในเสียงภายนอกกม น, นุษย์ฟัง เสียงใครไงก็ก็ตุกเทสานได้<ม>ถ้าเขาจะมา่างก็ยากฟัง<ม>อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทรงมีกิจวัตรประจาวันทุกวันก็คือสั่สงสอนเทศดาในยามบึกในยามข้ามสอนสั่งสอนทุกสึกสั่นเองในยามบ่ายก็สอนคาวาวายากเย็น ยาคุมโภนาได้ไม่ตอไม่เงเหมือนมนอ น, นาไม่ได้มากเพราะมนุษย์มนุษย์กม็ม่ก็ยัง่พองานต่อย่องมนุย์เปียกเที่ยงมีความตั้งใจชอบทที่วพ<อ>วกีอต่อเนก็ต้องขัองนอ า, านาคารมีาณามีิขอานเปนสติปัญญาอนมัติจิตงท่านจะพองาอย่างนดี้วแ <c oughs> ต่ถ้ายังเป็นสกิณาคาร์เป็นโสดาบันอยู่นี้ ยชอบายังชอบแวะไปหาความสุขทางตาหัตลกเป็นกายข่าวัดเนี่น <c oughs> ยันเมอย่างนี้ต่อนี่นอตายตายก็เป็นเทวดาแล้วแต่อารมณ์อารมณ์อยากจะภาวนาก็ภาวนาอารมณ์อยากจะเที่ยวก็ไปเที่ยว <c oughs> มันลุกยังไงเกิดเป็นปวดาก็เป็นแบบ น, นั้นเองว่าจุดมันแตกมาเรื่อย ร่งางกายมัได้เปลี่ดนนิสายเดิมเป็ น, ป น, น, ปนยัางไงมนก็จะเปล่นสายไปมันจะถูกตั ว, ตวอารมณ์นี้ตัดยันไปอารมณ์ของสกิราธานีกับอนาอากักลปโสดาบา น, นี้ยังสลับกันระหว่างทางโลกกับทางธรรมอยู่แต่พอเข้าอารมณ์ของพระอนาธามีแล้วนี่มันจะไปทางทางธรรมอย่างเดียวเพราะมันตัดเรื่องกิเลสธรรมราคะกับอหังการได้หมด ไม่มีความสนใจในกา ร, ราาละลายเราพิจารณาด้วยอสุภะอยู่ตลอดเวลาเห็นร่างกายเป็นหนึศากจบอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่เกิดราคระปัญหาขึ้นก็จะมีแต่ความเยียรจะให้มีความสุขในจิตมากขึ้นมีความสมนงกในจิตมากขึ้น <c oughs> ตัวเนี้จะภาวนาตลอดแต่พวกนี้ก็ไม่ไปความเทศควางธรรมกับใครละเป <c oughs> ็นอย่างเขารู้แล้วงานของเขาอยู่ตรงไหนอยู่ในจิตนี้ อยู่ที่การระ ง, งับดับที่เหลือปัญหาที่มันม า, าทําลายความสงบสุขของใจพาณาความ น, นี้ไม่ต้องไม่ต้องไปศึกษาหลักฐานก็ได้ท่านบรรลุของท่านได้เองอาจะชาหรือเร็วทั้งช้าหรอถ้าไม่มีอาจารย์คอยอนถ้ามีอาจารย์คขยสอนก็ไปเลยเพราะจะไม่ไปไปเสียเวลากับไปแก้ปัญหาของตัวเองเพราะมันจะไป ติดอยู่กับไอ้แสงสว่างในตัวสว่างสว่างที่อยู่ภายในจุดนั้นแต่ถ้าเป็นคนคอยสอยนก็บอกไว้เบ้อหน้าก่อนแล้วเพราะว่าจะเห็นตัวนี้ปั๊บยื่เลยอ๋อตัวนี้เองก็จัดการได้พิจารณาด้วยใจรักได้ดัน้นถ้าอยากจะพอวนาอย่างต่อเนื่องก็ต้องขันอันนาคาเองเป็นพิจารณาสุภาษให้ได้เป็นด้านตัด ความอยากในในในว า, ารัต่างๆใได้อย่างสิ่นเชิง ต, ตอนนั้นจริงมันจะสงบเป็นส่วนใหญ่มันจะมีกิเลสที่ละเอียดที่จะค่อยๆที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นระย ะ, ะยะ<ม>ที่จะมาทำลายควาส ม, ส, มสุดที่ละเอียดที่มีอยูในใจตอนนั้นก็ต้องใช้ ต, ใชต้องใช้สตนนิบางอย่าง อาคณูมัตที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาคอยเ้าดูจุดอยู่ตลอดเวลาก็ต่อใน ก, การขึ้นมาก็รู้เลยว่าปัญหาองเรละงานมะไรละต้องหาวิธีจางจัดอะไรละก็จะทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจุดจุดก็ะกลายเป็นวิพากไปห็งว่าบรรลกปัญนาการดูแลเกิดไปประสบอุบตัติเหตุตายต่างต่า ยังไยงก็ไม่ต้องกลมาเกิดเป็นมนุษย์าปฏิบัติต่อก็ปฏิบัติต่อในจิตรแต่ละขนจะมีกระบวนการของมาใช่ะการของแต่ละขั้นช่วงั้ะคะอว่ามัมีปัญหาแต่ละขั้นมันมีปัญหาแต่ละข่านที่จะต้องต้องแก้ต้องถงเป็นโจทย์เป็นโจทย์ ในเวลาเรียนหนังสือการสอบแต่ละชั้นก็จะมีข้อสอบที่ต่างกันไปปีหนึ่งก็มีข้อสอบอย่างปีสองก็มีข้อสอบอย่างปีสามปีสี่ก็มีข้อสอบที่ต่างกันไปพอสอบของปีหนึ่งได้แล้ก็ไม่ต้องกลับไปสอบใหม่เพราะข้อสอบเดิมก็นอนไปสอบขั้นที่สองปีที่สองปีที่สามปีที่สี่การเัินต่างกัน ก็อย่างที่เมื่กีอธิบายฟังว่าวัตถุอของความอยากนี่เป็นตัวเป็นข้อสอบ mm hmm. ตอนต้นแตจะติดอยู่ภาย น, นอกการติดที่ลึกถึงเกี่ับอันนี้ก็ต้องตัดให้ได้ก่อนแล้วก็มาตัดที่ร่างกายตัดที่ขันรัดลูกประถันแล้วก็ตัดงานมาะถันแล้วก็ตัดความความจุที่ละเอียดที่มีอยู่จิตที่เป็นข้อสอบเป็นขั้นต่างๆ ต้องต้องภาณนาต้องปฏิบัติแล้วถึงจะจะเห็นจริงๆที่ฟังอยู่นี่ตรงเพียงสัญญาฟังแล้วเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวก็ถามมาฉันจำได้ผ่านแล้ ว, แ, ลว <c oughs> แต่ถ้าปฏิบัติถ้าเห็นแล้วจะไม่ไม <c oughs> ต้องถามแสดงว่าไม่ทากามบ้าน เวลาเราจอยู่ข่านไหนเวลาเราฟังธรรมเราก็จะรอให้ท่านพู้ถึงขั้นที่เริตอยูเพราะเวลาท่านแสดงท่านจะแสดงตามขั้นขั้นที่หนขั้นที่สองขั้นที่สามไปเวาอยู่ขั้นไหนเราก็รอขั้นฟังขั้นผู้ว่าถึงขั้นนี้จะต้องทำทำทำนั้นทำนี้เราก็เข้าใจเราก็เอาเข้าไปไปทำต่อได้หรืออาจจะทําในขณะที่ทําลยได้หรือทําแล้วยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจ พราถ้าเราทำนี้ทำนี้เหมือนกับที่เราทาอยู่แล้วก็ใช่หน้าขอาางการทำถูกมันจะมันจะเป็นเอลาฟังธรรของนักปฏิบัติจะฟังในแบบนี้เวลาฟังแต่ะั้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะมาคือคือปัหาให้เราพอเราเข้าใจแล้วัก็าผานไปแล้วก็ขึ้นต้นี้ ถาไม่มีคูบาอาจารย์บางทีก็ตัดสินใจก็ยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจยังลองเลือกเสียใสก็ยังยังไม่ทันแต่ถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วูงมากก็บางทีก็ไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เช่นเะขาคุณพระเจ้าท่านไม่ต้องอาศัยใครมาบอกว่านะถูกหรือไม่ถูกท่านจะรู้เองพออดทกษะอาหารสิบเก้าวันท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ละผิดทางลนะ ถ้าจะยอ้อนกลัมาแต่เราพาวนาะมาทำจิตให้สนบแล้วก็มาพิจารณาริปปะภาวนาโดยถ้าคนที่ฉลาดที่คิดอยู่ตลอดเวลาได้เห็นได้ผงที่มีสติไปดูใจอยู่ตลอดเวลามันจะจะเห็นสามารถที่จะสองตัวเองได้แต่คนที่ไม่ค่อยฉลาดก็จะต้องอาศัยตัวเอง ในนักติดแบบท่านถึงแบ่งว่าเป็นพวกที่บรรลุเร็วบรรลุชา า, นน า, า, าก็อยู่ที่ที่สติตปัญญาเท่านี้นถ้ามีสติปัญญามากจะบรรลุได้เลยวมากถ้าสติปัญญามีน้อยนี่มันึกมันก็จะช้าบรรลุเน็ีบรรลช้ามันอยู่ที่สติปัญญาส่วนปฏิบัติง่ายและปฏิบยยัติยากนี่อยู่ที่กิเลสหนาหรือบางนะ ถ้าขี่เ ห, หนื่หนานี่ก็ปฏิบัยากถ้าขี่หนบางก็ปฏิบัิง่ายเพราะกำจัดมามากแนละ้วมันกัขูดใหน อ, อกไปเยอะนะถ้าเป็นเสน่ห์ก็ขูดออกไปเยอะนะพอมาขูดสองสามทีนั่นก็หมดแ่พวกที่ที่เสน่ห์มันนาห น, นานนี่ขูดเท่าไหร่นันก็ยังไม่เห็นเนือนน้อเนื้อแบบแททีมันก็รู้สึกว า, ายากต้อง ม, มากต้องทน า, มมากกนมากกว่านนกปฏิบัตถ้านื่อยแบนก็สอง เป็นสี่เป็นพวกพวกยุ่ลเ็วปฏิบัติง่ายอย่างนี้พวกยอดกิเลสกันกอนปัญญาก็แหลคมแล้วพวกที่ยากมากก็พวกที่ปฏิบัติช้าแล้วก็ปฏิบัติยากตัวนี้ก็เป็นแบบว่ากิเลสปัญญาทึกส <c oughs> ่วนสองพวกก็คือ <c oughs> พวกที่กิเบางแต่ปัญญาทึกก็คือปฏิบัติง่ายจากเรียนบดรุชา้าแล้วก็พวกที่ สติปัญญาหญแหลมคมตนกิเลสนะอันนี้ก็บรรลุเร็วแต่บรรลุยากปฏิบัติได้ความยากลำบากต้องทรมานอย่างเต็มที่อย่างสุดๆอย่างพระพุทธเจ้าต้องอดท่าถึงสี่สิบเก้าวันต้องเร็ว จ, จนคมต้องรักษาเท้าแตกอันนี้ก็ปฏิบัติยาก กี่เลืมันจะตายถ้ากี่เหลือดปฏิบัติดักง่ายๆนั่งนั่งสบายสบายแล้วบรรลุเงินเงินน้อยตอ้องทำแล้วก็บรรลุเร็วหลวงพ่อ เ, เจ้าว่าคือนีถ้ากี่เลือดังคนทั่วของผู้ปฏิบัติไว้สี่ันทั่วบรรเร ปฏิบัติง่ายบรรลุเร <iken> ็วปฏิบัต <Spike> ิง่ายบรรลุช้าปฏิบัติยากบรรลุเร็วปฏิบัติยากบรรลุช้าสุ้ายจะลองพูดอะไรอกคนเป็นกิเลสนะกอยากจะลองดูว่าเราจะดูดีแค่ไหน แค่ไหนก็ขอให้ก็ยังดีก็ยังถือว่าเเป็นักปฏิบัติเดยวพวะพวกที่ไม่ไม่อยู่ในท่านนี้เลยเรวไม่คิดว่าสี่ทันนี้ไม่ดีมันดีกว่าพวกที่ไม่อยู่ในสี่ท่นนี้เลไม่ติดอันดับเลยไมติอัยู่ใหนนือสีก็ยังดีเลม้ม่จินตนาการ ถ้าบรรลุช้าก็หาถ้าบรรลา้าก็หากูบาจางช่วยอันนี้ก็จะทาให้บรรุอยู่กับกูบาจาเรื่อกิเลสหนักก็อยู่กัูบาจางก็ช่วยได้เพราท่านช่วยขาดเรามาไเลยะเรนละครไม่พอราะนงไปอยู่แบบอย่บหน้ตาสมัยก่อนเนี้ยอยู่กับท่าน่อยี่สิบปีกว่านี้ท่านจะช่วยขาดเราได้ยะ มันจะคอยคอยลย่เราอยู่เรื่อยไล่ให้เราเข้าทางจงโกงให้เราเพลียอยู่เอยยังไม่ปลอให้เราไปวัดนีด้วัดนี้ถ้าไปอยู่กับทานนี่ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่เลยถ้าไปก็ไปเลยไ่ที่จะไปแบบข้อข้อห้องี่ไม่อ่านหมอไม่ได้ไปเท <c oughs> ลียเหมือน <c oughs> คนไข้ไปหาหมอโรงพยาบาล อยู่สักวันสวนว อ, อ, อส ว, นส ว, นวาาสอันแล้วขอออกไปเที่ยวสกวันสองวันแล้วไปกัมาลักาตัวหม่เนะหมอก็อกไม่ไม่ลักษาดีป่าลักษาจนมตายก็ไม่หายพอมีงานมันเกิดก็ขอลาหมอไปงานน้เดหอไปงานแต่งงานก็ขอลาไปงานแงงานเสร็จแล้วไปกลกับมาลักษ า, าต่อหมอที่ไหนเ็าจะเอาคนค่าแบบนี้กัน ไปหาไปหาคุบาอาจารย์ที่เขมีสัณปฏิบัติดีๆที่นงียบที่สงบแล้าท่านคอยทุ่มเทเวลาให้กับเราได้คิบาอาจาย์นั้นเราจะไปได้อย่างง่ายเลยท่านช่วยเราทั้งสองด้านเช่วยให้บรรลุเร็วแล้วก็ช่วยช่วยให้การปฏิบัติของเราม่ายเพราะท่านจะอบอกวิธีการต่าง ที่มันยากเพอบางทีเราอยากจะปฏิ บ, บัติอัสบายสบายนั่นเองมันถึงยากเขออนี่ยเจ็บปวดมันก็ไม่เอาแล้วมันก็ยากมันเจ็บปวดแล้วก็ไม่สนใจมันไม่ไม่ให้ความเจ็บปวดนี้มาเป็นปัญหามันก็ยาไม่นานก็ทะลุไปได้ความเจ็บปวดนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนกับทะยับแดดมันไม่ได้เป็นของจริงเราไปปูมันเอง ถ้าเราไม่กลัวมันอย่ักนล้วมันไม่ทําใจเราเราเราได้แล้วมันไม่ใช่เป็นของจริงเป็นเหมือนพยักแดดแต่พอเราเห็นก็กลัวมันแล้วเห็นว่าเป็นเหมือนเสือกลัวตัวสั่นแต่ควจริงเข้าไปหามันดูพอเข้าไปถึงตัวมันมันหายไปแล้วเพราะมันเป็นเพยงพยักแดบความเจ็บปวดนี่ก็เหมือนกันอย่าไปกลัวมันความนเจ็บไป เราก็พอน า, มมาอ ท, ทางต่างทุกโธพุทโธต่างบริกรรมตเรื่มพิจยายรณาดูว่ามันเึ็นกสัตแต่ว่าเป็นเป็นเป็นสภาวะธรรมทุกปรากฏให้จิตรับรู้เท่านั้นเองเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินทางนี้มันก็เป็นสภาวะธรรมที่จิตรับรู้จิตรับรู้ทุกสภาวะธรรมแน่นไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นรูปเกลิ่นเป็นรสเป็นกลต่า ต่เป็นในรูปแบบไห น, นที่ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นปัญหาจก็บรับยุต่ได้เองที่ปัญหาก็อยู่ที่มันไปชอบหรือไม่ชอบนั่นเองเพราะที่ชอบแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ที่มันเป็นปัญหากคือที่มันไม่ชอบแต่คนที่เขาชอบเขาก็ไม่เป็นปัญหาเช่นพริตเนี่ยบางคนชอบเขาก็ไม่เป็นปัญหาแต่คนที่ไม่ชอบก็เป็นปัญหาขึ้นมารับประทานไม่ได้ เช่นเดียวกับเวทนาคนที่ชอบทุกเวทนาเพราะชอบความเจ็บปวดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคนที่ไม่ชอบความเจ็บปวดก็เป็นปัญหาเพียงนี้พระปฏิบัตท่านท่านไม่กลัวความเจ็บปวดท่างสุกให้ชอบความเจ็บปวดท่านพยายามทำอะไรที่มันทําให้เกิดความเจ็บปวดเดินตรงตรงชื่วโมงชื่อโมงอย่างนี้เพื่อฝึกใจใ ห, ให้ให้ชินกับความเจ็บปวดท่านเอง เมื่อมนชิแล้วต่อไปมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคอย่างนั้วมันก็จะผ่านไปได้เวลาทั้งหดอาหารนัก็เป็นการสร้างความเจ็บปวดขึ้นมาภายในร่างกายเวลาร่างกายทานอาหารมันก็เกิดความความหิวความอยากขึ้นมาความต้องการขึ้นมามันก็เป็นความเจ็บอย่างแต่เมื่อเจ็บแล้วท่านก็มีวิธีต่อสู้ความเจ็บนี้ก็าือทำจิตของท่านให้สงก พอจิตสงบแล้วความเจ็บความผิวของร่างกายนี้ก like ็จะไม่เป็นตัญหาอะไปัญหาอยู่ที่ความไม่ชอบความหิวนี้เท่านั้นหรือความอยากรับประทานที่เป็นตัวปัญหาและพอจิตสงบแล้วความอยากรับประทานนี้มันก็หายไปเป็นสงบไปความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากรับประทานนี้ความไม่ชอบความหิวนี้มันก็จะหายไป ความหิวหรือความเจ็บของทางร่างกายนึงก็เลยไม่รุนแรงกับจากเหมือนกับความรุนงรงของความไม่ชอบความหิวหรือความเจ็บนี้เพราะโดนี้มันทรมานใจมากกว่าพอจับประเด็นนี้ได้แล้วต่อไปก็เราไม่เข้กลัวความเจ็บปวดขงร่างกายหรือความหิวของร่างกายแต่กลัวความความหิวความทรมานใจจะมากกว่า ที่เกิดจากความกลัวความหูหรือกลัวควานจิบนั่นก็จะต้องพยายามระ ง, งับดับความกลัวความเจ็บนี้เวลาที่มันเกิดขึ้นมาโดยการโดยการทรําให้มันสงบลงไปโดยสมรรถะอุบายของส ม, มถะภาวานาก็บริการทุกโทกัไหรือโดยด้วยการใช้ปัญญาก็พิจารณาว่ามันต้องกเพียงสภาวะธรรมอย่างนึ่เหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ตรนี้ มันมากระทบกับหัวแล้วมันก็รับรู้ที UC ่ใจความหิวมันก็กระทบกับร่างกายแล้วก็ไปรับรู้ที่ใจเหมือนกันพอไปถึงใจแล้วมันก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเป็นความหิวของร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพียงผู้รับรู like ้เท่านั้นเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรมันมันไม่ได้ไปทำอะไรกับใจมันไม่ได้ไปไปกระทบกระเทือนกับใจเลย มีแต่ใจมีแต่กิเลสตันหง้าที่ไปสร้างความกระทบกระเทืนให้กับใจของเองด้วยด้วยอวิชชาความไม่เข้าใจความเหนื่อยเหมกับดินหยางที่ไปเปล่นเต้นบินใจเสียใจกับหยางที่เราดูเราไม่ได้เป็นอะไรกับดารากับคนแสดงเลยทำไมไปเป็นอะไรกับไปกับเขาด้วยเพราเราดูแบบเอาเขามาเป็นเราเราเป็นเขา ถาเราดูว่าเขาเป็นเขาเราเป็นเังเราเป็นคนดูเขาเป็นคนเล่นกระป๋อดเขาเล่นไปเราก็ดูไปนั้นก็ไม่เห็นเป็นปัญหาดูฟุตบอลเวลาแพ้ก็หเสียใจเวลาชนะก็ดีอกดีใจฉลองกันทั่วประเทศไม่ไปเป็นกับไปเป็นไปเป็นกับคนเล่นมันไม่ได้เป็นคนดูนะถ้าดูดีเหรเขาแพ้ก็เขาแพ้เราไม่ได้แพ้เนาะเขาชนะเขาก็ชนะเราไม่ได้ชนะตัวกับเขาเท่าไหร ก็ดูเฉยๆร่างกายเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บกับร่างกายร่างกายหิวใจก็ไม่ได้เห็วกับร่างกายถ้าใจสงบนิ่งใจก็อิ่มอยู่ตลอดเวลามันก็จะเห็นแล้วว่างานที่แท้จริงไม่เวีอยู่ที่ไห น, นอยู่ที่ใจอย่าอยู่ที่ทํทาใจให้มันสงบให้มันนิ่งให้ได้ตลอดเวลาเวลามีกิเลสตัญหาเกิดขึ้นมาก็ต้องสยบมันให้ได้ สยบด้วยสมถะก็ได้ท่านยังไม่รูปัญญาแล้วท่านมีท่านรู้จกวิธีใช้ด้วยปัญญาก็ใช้ปัญญาต่อไปเพราะถ้าใช้ด้วยปัญญาแนละ้วมันจะมันจหายไปอย่างถาวรมันจะไม่กลับพื้ น, น, น, ข, นขึ้นมาอีกถ้าสยกด้วยด้วยด้วยสมถะนี่มันก็จะสงบในขณะที่สมถะทางานเวลาจิตสงบมนันก็จะสงบตัวไปด้วย พลังจิตออกจากความสงบนั้นก็จะออกมาทํา ง, งานต่อแต่ถ้ามันถูกสยบด้วยอํานาจของปัญญาแล้วมันก็จะไม่ออกมามันจะไม่มีเพราะกิเลสตัณหานี้มันออกมาจากความหมลงดัง้นเมื่อมีปัญญาไปดับความหลงมันก็จะไม่มีตัวที่จะสร้างกิเลสตัณหาห้ต่อไปดังนั้นไม่ว่าจะการปฏิบัติมันต้อง ที่จะการกําจัดการปฏิบัติเพื่อกําจัดที่เหลืออย่างท้าวานี้จึงต้องใช้ตัณหาถ้าใช้เพียงแต่สมถะใช้เพียงแต่สมาธินี้จะได้เพียงเป็นครั้งตึนคราวแต่จะไม่ถาวรเหมือนกับร่างกายเป็นโลกพาใกล้จิตอยู่เรื่อยๆกินแล้วก็หายแล้วเดี๋ยวก็เป็นใหม่ถ้าอยากจะหายอย่างถาวรก็ต้องเอาไปเผาเอาไปเผา พอเผาแล้วทีนี้ก็จะไม่มีโรคต่อไปเพราะร่างกายเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของโรคพัไยไข้เจ็บเพราะไม่มีร่างกายแล้วก็จะไม่มีโรคภัไยไข้เจ็บเพราะพุธเจ้าจริงไ่ไม่ไปเกิดเลเพราะไม่อยากจะมีโรคภัไยไข้เจ็บอีกต่กันพระอารหันต์ท่านจริงไม่ไปเกิดเลยแต่พวกเรายังอยากจะเกิดเหมืนกันยังอยากจะเป็นโรค ก, กันอยู่ เนบ้านคอ่นจบอกก็ท่าบอกว่าชี้บอกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยก็เลยเดินไปดูเพื่อนบ้านเรายังไม่ที่ตายงานทางโลกทำกันึงก็ประโยชน์ตงอยู่ที่แค่ร่างกาย อยู่ที่กิเลสออเรามาก็จะเอารายได้ที่เราได้มามาหคาความฝุดทางโลกกันพอเรามีรายได้พอที่จะพิจารณอัตภาพร่างกายแนละ้วให้เรามีความอิสระในการปฏิบัติธรรมไดนะ้แล้วนะครวรที่จะหยุดงานทางโลกนั่งเพื่อมาปฏิบัติงาน ท, งทางธรรมต่อไปจะดีกว่า ก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ทําเป็นตัวอย่างงานทางก็ท่านก็ถนัหมแล้วท่าไม่เอาถ้าถึงเป็นสวรรเป็นที่พึ่งของเราได้เป็นที่พึ่งของตัวของท่านเองได้เพราะท่านสถางานทําโลกไปแล้วก็ท่วงเตะกังานทางทางธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเดียวศึกปฏิบัติธรรม็นสำเร็จงานก็ไม่มี ที่จะต้องทำต่อไปงานแก้วจบก็เป็นงานวันดีเด็กก็คือสัสอนผู้อื่นต่อไปช่วยเหือผู้อือันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่เทยาสร์แล้วแต่ผู้ศรัทธาถ้าอยากจะสอนแต่ไม่มีคนศรัทธาจะฟังก็ไม่ต้องสอนก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีสัทธาด้วย แล้วก็อยู่พูดที่สอนด้วยครูบาาจารย์บางลูกท่างก็ไม่ค่อยชอบสอนท่านก็ไม่ค่อยไม่ ค, ค่อยสั่งสอนใครบางลูกท่านก็มีความรู้ความสั่งมากมากท่านก็สั่งสอนญาติโยมได้เป็นประโย ม, มน์ามากมา ก, mm hmm. ก็อันนี้เป็นเรื่องของอัธยาศัยไม่ได้เป็นข้อบงังคับถ้าเราทํางานขอ ง, รองเราเสร็จแล้วงางที่เราจะตรงข้อกับคนอ่นนี้ก็ หรือว่าเป็นเงาดูเอจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยหรืออยู่ที่ความละความรู้ความสามารถของตนเองที่จะส่งสอนผู้อื่นแล้วก็อยู่ที่ศรัทธาของผู้อื่ว่าจะสนใจจะรับการศึกษาจะจะสนใจศึกษาหรือไม่ก็อยู่ทั้งสองส่วนพระพุทธเจ้าบางรูป ก, ก็ไม่ได้สั่งสองใครก็มี ว่ก็เป็นท้าปเจกับพระพุทธเจ้าไปไม่มีใครทราบว่าท่านเป็นพระ<ม>พุทธเจ้าเพราะอาจจะเป็นเพราะอยู่ในยุคที่ที่คนไม่สนใจกับเรื่องการศึกษาปฏิบัติธรรมก็ได้<ม>หรืออาจจะเป็นจุดของท่านที่ไม่ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับกับคนอื่นไม่ไม่อยากจะยุ่งกับการมา อบรมสอนสอนผู้อื่นการกำเมิดสอนแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราในเบื้องต้นก็นยังทรงมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ในพระธรรมตอนที่ตัดสินใจใหม่ก็มีความทอแท้ที่จะเอาความรู้นี้มาเผยแพ่ต่อต่อให้แก่ผู้อื่นเราต้องรู้ว่ามันเป็นความรู้ที่ขัดต่อความรู้สึกของของคนในโลกนี้ มันกับไปสอนคนที่ติดเล่าติดบุญอย่ให้เขาเลิกเล่าเลิกบุญอย่างนี้หรือติดยาเสจติดนีเป็นเตียงานที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อยากจะขวนขวายแต่เนื่องจากมีพระเมตตาหรือพระกัลยาณที่มรงเห็นเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้กับ ผู้ที่นำออกไปปฏิบัติแล้วก็ะทรงพิจารณาเห็นว่าคนก็มีหลายหลาหลายจพวกพวกที่จะไม่สามารถหรือไม่สนใจที่จะรับไปปฏิบัติก็มีพวกที่สนใจและสามารถรับไปปฏิบัติได้ก็ยังมีอยู่ก็เลยทำให้พวกนั้นจำแนกแยกอยกสับหรือ ผู้ที่จะศึกษาเขาทำนี้ไว้เป็นสี่จำนพวกนี้ว่าเป็นพวกเรืยสีเหล่าก็เลยจงมุ่งไปสู่จำนวพวกที่เป็นจำนนพวกที่ยังมีโอกาสหรือพวกที่มีความสนใจที่จะรู้เร็วรู้ช้าก็ต่ามตาๆตามบาลีของแต่ลนะแต่ละกลุ่มไปยังตอนก็มุ่งไปสู่กลุ่มกลุ่มที่มีบาลีว่าพ่อสอน ง, ง่าย พูดเตือนคำสองคมเขาก็เข้าใจเขาก็ปฏิบัติตามได้เขาก็บรรลุได้พอหมดทุกกลุ่มแรกแล้วก็เข้าไปกลุ่มที่สองพอหดกลุ่มที่สองก็เข้าไปกลุ่มที่สามนี่ก็คือเรื่องของของงานของผู้ที่จบงานของตนแล้วขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านว่ามี มีมีมีมากน้อยนี่คือเป็นสติปัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสหือสติปัญญาที่ใช้กับกับการกำจัดกิเลสนีก็เหมือนกันก็คือต้องมีต้องรู้ในายนักเหมือนกันแต่การที่จะเอาความรู้ที่เป็นนามธรรมนี้มาสอนผู้อื่นนี่มันขึ้นอยู่กับการสา ม, มารถ ในการที่จะเอามาแปลงมามาพูดให้คนอื่นฟังแล้วเกิดความเข้าใจบางคนมีมีศิลปะหนึ่งทาง่าจะในการสัง่งการสอนก็จะสามารถสัง่งสอนผู้อื่นได้ได้มากบางคนไม่มีสิลปะพูดก็พูดแบบเนื้อๆอย่างนี้ไม่ไมีการขยายความ คนฟังก็อาจจะไม่เขา้าใจเพรานั้นคนที่มีความสามารถที่จะใจะแนกแยะๆหรือหรือแสดงธรรมที่ทำให้คนเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจได้ น, นี้ก็จะเป็นคนที่มีประโยชน์กับโลกมากเช่นพระเจ้าลิบุตรียงพระพุทธเจ้าทรงยกยองว่าเป็นครูที่รองจากพระพุทธเจ้าเท้งนั้นในการแสดงธรรม แลนะงถือว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ที่แท้จริงคือความรู้ความสามารถในการเผยแพน่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นส่วนอิทธิฤทธิ์ที่ที่เป็นเกี่ยวกับการมีตาทิพย์หูทิพย์หรือเหาะเหินเดินอากาศได้นี่พรองค์ไม่ถรงถือว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ที่แท้จริงเพราะไม่ได้ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ได้ในการที่จะทําให้เขาไยกหยุดทุ้งจาก ความทุกข์ทั้งหลายหยุดทุกข์จากการยืนว่าตายเกิดได้ต้องเกิดจากความรู้ความสามารถในการเรียนำธรรมะ น, นี้มามาสอนให้ผู้อื่นได้เกิดความเข้าออใจได้อย่างง่ายดายถ้าเป็นอาหารก็เหมือนกับทําให้คนที่เขากินนี้ไม่ต้องคิ้วเลยเอามาทําเป็นโจ๊ก น, นี่เอามาบดมาทําอย่างละเอียดคนกินไม่เปลนแปลงกอเข้าไปในปากก็กลืนเข้าไปเลย แต่ถ้าเป็นแบบเนื้อทั้งรุ่นอนี้ทั้งทั้งคิ้คนที่ไม่มีฟันก็เชี้ยวไม่ได้ก็จะเนาะก็จะยากลำบากนี่คือเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีความรู้สติปัญญาทางด้านการจำแนกแยกแยะธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะพุทธเองรู้อยู่นี่ให้ผู้อื่นได้ได้เข้าอกเข้าใจเนี่ยมีความแตกต่างกัน ถ้าเราได้เจอคนที่มีความรี้ความฉลาดที่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ ย, ยากๆมาทําให้เรามาสอนเราใ ห, ให้เห็นว่ามันเป็นเศษที่ง่ายที่เราเข้า อ, อกเข้าใจได้ง่ายเลยก็ ถ, ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราถ้าเราไปเจอที่แบบที่สอนแบบสั้นๆพูดสรุปเอาอย่างนี้ก็จะเราก็ต้องก็ต้องขวนขวายมาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใครสอนเลยแต่มันเป็นเรื่องของอุปนิสัยเป็นเรื่องของจลุดของแต่ละท่านอันนี้ก็ไปไปบังคับกันไม่ได้ทางท่านท่านก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยจะถนัดในด้านการแสดงการสอนท่านก็้อนแบบเืียบเรียบง่ายๆบางท่านก็มี มีความถนัดในการชี้แจงในการขยายความเพื่อต้องเป็นไปตามตามอัธยาศัยของทาง่านตามจริยรของท่านทา่วเราก็รักแต่บุญมาาเนยถ้าได้เจอผู้ที่มีความสามารถในการส่นสอนก็ถือว่าเป็นบุญของเรา ถ้าเราเจอแล้วเราก็ยังไม่อาไปเอาไปใช้ประโยนมันก็เป็นกรรมของเรารูปนี้จะาสางจานเลยค่ะจานประเมิ่กลุ่มอีกง่ายอีกสยาก็มีกลุ่นกัวเงนไป่ห้ที่สอนง่ายก็มีห้องที่สอนยากก็มีนักเรียนที่ยาก็มีแบบนักเรียนแบบ สามจุดก็มีสี่จุดข้ก็มีสองจุดก็มีหนึ่งจุดก็มีมม <c oughs> อันนี้ครูบาอาจารย์กาไปบังคับไม่ได้ครูบาอาจารย์บังคับลูกศิษย์ไม่ได้ลูกศิษก็บังคับครูบาอาจารย์ไม่ได้อย่างคนต่างต้องเป็นาปกามบรุญบาปในขั้นตอนถ้าถําเป็นบุญบาปมีมามากก็จะเรียนรู้ง่ายเรียนเล็วอาจารย์ก็จะสอนเก่งสอนสอนสอนสอนให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย ก็เป็นอยู่กับบินบารามีสองข้างสองสฝ่ายถ้านเองก็พยายาสร้างกระเถิดอย่าท้อแท้อย่าเห็นคนอื่นเขเก่งกว่าเราแล้วทําให้เราบอกท้อแท้ไม่อยากอย่าสร้างบินบารามีต่อกันเราอย่าไมองคนอื่นมามองที่ตัวเราวรากําลังขาดอะไรเราก็ต้องเตรมสิ่งที่เราขาดให้มันเติมขึ้นมาเราอย่าไปดูน้าในตุ่มของคนอื่นให้ดูน้าในตุ่มของเรา รวมของคนหนึ่งเขาเต็มนะแต่เรายังไม่เต็มนี่เราอย่าบอกอยของเขาเต็มนะเราไม่อยากจะเติมของเรานะมันก็ไม่เต็มมันก็จะเป็นอยู่อยนี้เราต้องบอกของเขาเต็มนะเขายังไม่เต็มเราต้องรีบทำให้มันเต็มเลยเขาเรามีปัญญาบาลมีน้อยกับเขาเราต้องรีบพยายามเสริมสร้างปัญญาบาลมีให้มากขึ้นต่อเราปฏิบัติน้อยกับเขาก็ต้องพยายามปฏิบัติให้มากกว่าเขาทุกอย่าง มันเท่ากันคือความรู้ความสามารถในตัวของคนเรานี้มันสามารถพัฒนาขึ้นมาได้การมาลงเที่ยวตอนนี้เราพัฒนาถึงขีดไหนท่นเองเขาอาจจะถึงขีดที่สูงกว่าเราหรือเราอาจจะถึงขีดที่สูงกว่าเขาแต่ไม่สําคัญสํำคัญว่าเราพัฒนาไปถึงขีดสูงสุดของเราหรือยังอยูที่ตรงนั้นถ้ายางเราก็ต้องพยายามพัฒนาขึ้นไปให้มนถึงขีดสูงสุดได้ไม่มีใคร พัฒนาให้เราได้เราต้องพัฒนาด้วยตัวเราเองป็นงานของเราหลักฐานทีอ si ัตโนมัติเถอะผู้อืนก็เป็นเพียงแต่ผู้ชี้แนะผู้บอกทางแต่เราต้องเป็นผู้เดินเมื่อรู้ทางแล้วแต่ไม่เดินก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เวลาวันนี้ก็คงจะสมควรเวลานะะจาให้พอเลยยวถาวะวะาปุราปิปุเรนติกเอวเวะอิโตจนาเปตานังอุปกปติ ดิจิตังปัจิตังตุงหังคิปว่าเมวะชนิดสตสซาเพปุรนตุชังกปายัโทปะณระโสยทามะนิโชติระโสยทาสัทธิปิโยมิว c ชังต o ชาตารโกวินาศตุมาเตปะวะทวันตระโยสุขิทิคายุโกภะอภิวาจนสิริลจะมิจจังวุฒาปจานิโน กัตตาโรธรรมวัฏฐานติอ primo, ายุวันโอสุขังภาลัง ก็ทำให้ที่มันเกิดขึ้นกับไนนะคะคือว่าเอยู่ซึ่งนันคดีทุกคี่มันเลือตเสแล้วมันเห็มีความมุ่สมกขึ้นมาว่านะคว่าจะ้ทุกทุกุกการทุกขึ้นมาซึ่งมันอยู่ในจดทีสุกแล้วกจะเป็นทุกข์อยนี้ที่เจะมีาขใช่ไหมะว่าทุกอย่างที่จะมามัเป็นวมสที่จะได้สุขกับทุกอาทวิ เห็นทุกว่าเกิดจากความอยากเราจะไ้ดับค่มอยากเราจะราอยากได้เราจะดับที่รู้เราจะับที่ใจเราจะดับความที่ได้ก็จะสนความเคยที่จะความไปรับที่จะได้ที่จะได้ความอยากับความยากได้ความทุกข์ก ก็สายเป็นๆเป็นช่วงนเกิดับเกิดับเป็นช่วงๆนี่องใช่ค่ะางช่วงที่เราเห็นว่่างกาไม่ใช่ของเราอาจารย์จะรู้นึกว่าเออเราเราต้วก็ต้องก็ต้องไปที่ตื่รู้ว่าเราเห็นจริงไม่จริงต้องเวลาที่เราป็นอะไรเหมือนเาอะไรากขึ้นแบบร่างกายแล้วเราทุกข์กมา บทีเราต้องมาพิจารณาซ้อกับลงการพิจารณานี้เป็นเนมือนกับเรืองการอายุเคราะห์ยังไม er> ่ได้เจอของจริงถ้าไปเจอของจริงดีก็จะรู้ว่าป่อยวางได้หรือการพิจารณาร่างกายให้เราไม่จอตัวเราของเราเพื่อเราจะได้ปล่อวาให้เหมือนกับเป็นร่างกาย ในการสนิทเวลาหมอบอกว่าเจ็ค่ายได้สวยจนุ่งแมเรนจะตายองเดือนเราก็ไม่ได้ติดทุกข์ทุ่น์วายใจกันนี่ถ้าเกิดหมอบอกว่าร่างกายของเราจะตายภายในหกเดือนเราก็จะทุกข์ุกขวายใจนรืปล่าามทุกข์ุ่น์วายใจก็แสดงว่าเราก็เหนชตตัวเราถ้ายังทุกข์ุกวายใจอยู่ก็ยังลังไม่จบนะที่แเรายังไม่ได้เข้าห้อสอบคือตอนนี้เป็นชาปีการ บา้าเราก็ต้องไปหาห้องสอนที่สดก็หมยถงว่าแบบน้อยมันมานจะทำโค้งมาทางจิตนะครับเป็นอย่างนี้ใช่ใชอันนี้ก็เป็นคาสอนที่เราได้ยินจากข้างนอกกันสอนข้างนม่หไม่หลงเลยมันก็เป็นคาสอนเพียงแต่ว่าเราจะคาสอนนั้นมาใช้กับับนดได้หรเป่เอามาดับกิเลสได้ด้วยเปีกอยางนั้น ขำ้ตอนก็เป็นทำกลางๆอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้นรืนอเป่ก็เป็นระยะรนะครับก็ก็ดีแ้ามันดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็เนี่ยมันรู้มั่นใจแล้วจะลองไปหาหาที่พิสูจน์ดูที่ไหนกลัวๆก็กไปอที่นั่นครับ คือว่ามันเป็นของเราเนี่ไม่เป็นของเราก็เคยไปบ้างแต่ว่ามันได่ถึงขนาดเลยค่ะไปแค่วันสองวันอะไรอย่างนี้ไม่ได้ปนะก็แสดงว่ามันยังไม่ถึงยังไม่ถึถ้ามันกล้าจมันมั่ถ้ามันมั่นใจมันตแน่ๆมันไม่เก็บคาราคาสังไว้เอเขาเรียกพาที่สูดนะ้าที่สุดมันเขาจะเจอของจริงอยู่ด้วเดี๋ยวนเป็นเครื่องจรงไ้งอะไรตามากา ตอนนั้นนะเขาจะรู้ว่าตัวของเขาเป็นของเ้ารึเปล่ายช่ไหมส่วใหญ่ก็ได้ถึงคูเบอร์ไม่ได้ถึงตายแล้เลย่านั้นก็ไม่คป็นปัญญาเราเม่นึงตายเขาไม่ถึงปัญญาว่าไม่ใชตัวเราของเขาตมันก็จะเป็นปัญญาเม็นตกตายก็ตาย ต่ยตอนนั้นแล้วมันก็เ่เป็นปัญญาขึ้นมาใจถ้ามันทำได้ใจมันจะดิ่งจะสงบเย็นสบายจะไม่วุ่นวาย ต, ต้องไปเข้าห้องสอบดูจ้องอยู่หลวงตาท่านท่านไปเขาใหญ่หาพิจารณาสงบท่านมาเพราะว่าเทวดามาเยอะค่ะเทวดามามามากมาย นนี้หลวงตาท่านก็มาที่เขาใหญ่ใช่มีราท่านก็คงจะวงญาติโที่กรุงเทพนะท่าก็มาบอกมีพรามีพกับาตั้งแต่สีห้าวันก็มาที่มีีชาวท้นจะตามดูาวท่านค่ะอายท่านสบายดีหรือเปล่าดี ตอนที่เราเรียงไม่ได้ไปรับบวชนี้ได้อยู่รับประจันเนี่ยเราไปปฏิบัติสองหรือสามสันักที่นีขอได้คะถึงเป็นการไ้องหรือเปล่าใช่ไหมะไม่หรอกถ้าเราไปเพราะเพราะธรรมะเพราะสถานที่เอื้ออำเนรการปฏิบัติก็ได้เพราะเีไปที่นี่ของไม่รับเราเก็ต้องไปที่อนนี้ก็ไม่เป็นไร ก็ตามใดเรายังมีปฏิปทาที่ที่ถูกต้องอยู่ก็ใช่ได้แต่ถ้าเราไปสํานักนี้เขาสอนให้ทํานี้เราก็ไปทำแต่เขาอย่างนั้น่อยไปสํานักหนึ่งเขาสอนให้ทําอีกอย่างนีน้แล้วมันก็อาจจะทําให้เราสับสนหรือว่าอาจจะไม่ก้าวหน้าก็ได้แต่คว <Okay. S 1> ามจริงวิธีแต่และ ว, วิธีมันก็มุ่งไปสู่ผลอันเดียวกันแต่เราต้องรู้จักแยกแยะ ถ้าเราถนัดวิธีนี้เราก็อยู่สังกัดนี้เ็าให้สอนทํอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ตามลาพังเราแล้วก็ทําตามตามวิธีที่ถูกกับเราก็ได้แต่เวลาที่ทำกิจร่วมกับเขาเขาทําอะไรก็ต้องทําร่วมกับเขาไปขอบคุณเขะค่ะเขาไปไปเพราะว่าทั้นแนะนำสั่งสอนได้แล้วก็ไปอาศัยสถานที่ด้วยคือถืิทธแล้วเจ้าค่ะ แน่ใ่าอ้เราเราท่องเที่ยวเกินไปหรือเปล่าการเที่ยวก็เพื่อไปหาที่ที่ภาวนาได้ไปหาครูบาอาจารย์ที่สอนเราได้แต่เมื่อได้ที่แล้วก็ไม่ควรที่จะไปถ้าจะไปอีกอันนี้ก็แสดงว่ามันก็จะเกิดจากความอยากไปเที่ยวแล้วแต่ถ้าได้ครูได้ที่ที่ดีแล้วก็น่าจนะอยู่ที่ตรงนั้นไปเกินกว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปหาที่ใหม่แล้วถ้าเราเป็น ชาวว่าเขาอาจจะให้เราอยู่ได้ชั่วคราวไม่หมดเวลาเราก็ต้องไปเพื่จะมีที่ใหม่ปฏิบัติต่อ แ, แล้วก็ไปแต่แรกเขาให้เราอยู่ไปตลอดแล้วเราจเจริญในที่ตรงนั้นมันก็ไม่ต้องไปก็ได้เราก็อยู่ที่นั้นไปเรื่อ ย, อยดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเป็นหลักถ้าเราปฏิบัติแล้วเรจเริญก้าวเนี่ยไม่ควรไม่ทําเป็นท่าองเปลี่ยนแต่ถ้า ปฏิบัติแนละ้วมันมันมันไม่ไปไหนมันอยู่ที่เดิมนี้ก็อาจจะหาที่ใหม่หาหาคนสอนใหม่ก็ได้ไม่ได้ไหมายว่าคนสอนเก่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจ ก, กับแเราหรือท่านสอนนั้นเราไม่เข้าใจ <c oughs> ก็ต้องาอาจจะไปหาที่อื่นดูที่นั่นท่นสอนว่าเวลาจะไปไหนเนี่ยท่านให้ถือหลักว่า ถ้าไปดีก็อยู่ก็ไปถ้าไปแล้วเร็วก็อยู่ก็อย่าไปถ้าไปแล้วเท่าเดิมไปก็ได้อยู่ก็ได้ให้ดูหลักนี้ให้ดูหลักคือผลกดูผลของการปฏิบัติที่เขาดูการปฏิบัติของเราถ้าเราไปแล้วการปฏิบัติของเราดีขึ้นผลดีขึ้นก็ไปถ้ามันดีก็อยู่ก็ไปถ้ามันมันมันดีมันอยู่แล้วมันดีกว่าไปก็ อย่าไปถ้ามันเท่ากันก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ให้ดูตรงหลักตรงนั้นเป็นหลักนี่<ป>